สิขาบทที่10ว่าด้ยวยการร้องให้ทุบตีตนเองเรื่องภิกษุณีจันทากาลีแปดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทากาลีทะเลาะ ก, กับภิกษุณีทั้งหลายแล้วร้องให้ทุบตีตนเองบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันทำหนี้พระนาม โหนนาว่าจะไหนแม่เจ้าจันท ก, กาลีจึงร้องให้ทุบตีตนเองเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกลาบทูนพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ